ในยุครัตนกโกสิลป์ น, นี้มีพระสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเพียงสมรูปเท่านั้นนั่นคือสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทินสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนมหาเทราองค์ปัจจุบัน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 จนสุริอายุหนึ่งรปีเป็นที่อัศจรรย์เป็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันกับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แพทย์หลวงไปอาราธนาเจ้าคุณพุทธทาสเมื่อครั้งที่ป่วยหนักมีอาการหัวใจวายเส้นเลือดหัวใจตีบความดันสูงถึงสามร้อและน้ําท่วมปอดท่านเจ้าขุนพุทธทาสรับอาราธนาแล้วก็เจริญอิทธิบาทกจาจัดอาการป่วยจนหายเป็นปกติ